ดเลนพรท่านผู้มีเิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงาน จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประพฤติมาปฏิบัติมาบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายที่เป็นเหตุที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีความสำคัญเท่ากับคุณงามความดีต่างๆเพราะ คุณงานความดีนี้เท่านั้นที่จะทำให้จิตใจไม่มีความทุกข์ทำให้จิตใจมีแต่ความสุขสิ่งอื่นๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสมบัติเงินทองฐานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ ยังต้องอยู่ภายใต้ของความทุกข์อยู่เพราะความร่ำรวยฐานะสูงสูงไม่ได้เป็นเหตุที่จะดับความทุกข์ให้หมดไปจากจิตจากใจได้มีคนงามความดีต่างๆนี้เท่านั้นที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปและสร้างความสุข ที่บริสุทธิ์ที่ถาวรให้อยู่แก่จิตใจไปตลอดพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้ <c oughs> พุทธศาสนิกชนมันทำความดีกันมันทำความดีให้ถึงพร้อมอย่าปล่อยเวลาอันมีค่าของการเป็นมนุษย์นี้ให้หมดไปโดยไม่ได้กระทำความดี เพราะมีมนุษย์นี้เท่านั้นที่สามารถทำความดีได้อย่างเต็มที่ถ้าไปเกิดในพบอื่นชาติอื่นโอกาสที่จะทำความดีหรือความสามารถที่จะทำความดีนั้นมีไม่มาก <c oughs> เช่นไปเกิดเป็นสุนัข <c oughs> ก็พอทำความดีได้บ้าง <c oughs> เช่นช่วยเฝ้าบ้านให้แก่เจ้าของแต่จะทำอะไรมากไปกว่านั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าไปตกนรกก็เป็นเหมือนกับคนที่ไปติดคุกติดตารางก็จะไม่สามารถทําความดีอะไรได้เพราะสภาพของนรกนั้นมีแต่ไฟมีแต่ความร้อนทําให้ผู้ที่อยู่ในนรกนั้นไม่มีกระจิตกระใจที่จะทําอะไรเพราะเป็นเหมือนกับไก่หรือปลาที่กาลังถูกย่างอยู่มีแต่จะ กรอบมีแต่จะไม่ไปเท่านั้นหรือถ้าได้ไปเกิดบนสวรรค์ก็จะมีแต่ความสุขเพราะในสวรรค์ไม่มีคนที่เขาเดือดร้อนกันทุกคนที่อยู่บนสวรรค์ล้วนมีแต่ความสุขกันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความดีเช่นช่วยหรือช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกคนก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสบาย มีแต่ภพของมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสามารถสร้างคุณงามความดีต่างๆได้เป็นที่เพราะในภพของมนุษย์นี้มีเหตุมีปัจจัยต่างๆที่เอื้อความการกระทำความดี <c oughs> เช่นพอเราเกิดมาเราก็มีผู้บังเกิดเกล้ามีบิดามารดา มีผู้เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งแก่ชีวิตของเราเพราะถ้าไม่มีบิดามารดาให้กําเนิดเราก็ไม่สามารถออกมาสู่โลกนี้ได้มาเป็นตัวเป็นตนมาทำอะไรต่างๆที่เราทำกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ได้เมื่อเรามีพ่อมีแม่มีผู้มีพระคุณเราก็ต้องทำความดี คือเราต้องมีความกระตันอยู่มีความสำนึกในพระคุณของพ่อของแม่ว่าเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราท่านให้ชีวิตเรามาถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เลี้ยงดูเราหรือเอาเราไปทิ้งไว้ที่กองขยะหรือไปฝากไว้กับสถานเลี้ ย, เยงเด็กกาพร้าแต่พระคุณของท่านก็ยังไม่ได้ หดหายหรือเบาบางไปแต่อย่างใดท่านอาจจะมีความจำเป็นที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูเราได้แต่อย่างน้อยท่านก็ยังเลี้ยงดูเราขณะที่อยู่ในท้องและให้เราได้ออกมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ดีกว่าพ่อแม่คนบางคนที่เป็นคนที่ใจร้ายใจไม้ไส้รกรรม ที่สามารถที่จะทำลายลูกที่อยู่ในท้องของตนได้ดังนั้นการที่เราได้มาเกิดเราก็มีหนี้ <c oughs> มีหนี้บุญคุณอันใหญ่หลวงที่เราจะต้องชดใช้อยู่เสมอตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือตราบที่พ่อแม่ของเราได้ตายจากเราไปแล้วไม่ว่าท่านจะดีจะช่วยอย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เป็นอีกประเด็นหนึ่งความดีความชั่วของท่านไม่ได้มาลบล้างพระคุณของท่านที่มีกับเราถึงแม้ท่านจะโหดร้ายทารุณดุจาว่ากล่าวทุกตีเราต่างๆนาน า, น า, นานการกระทําของท่านเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปทําให้บุญคุณของท่านที่มีต่อเรานั้น <c oughs> หายไปแต่อย่างไดเราต้องคำนึงถึงบุญคุณของท่านอยู่เสมอ และ ว, วิธีที่จะตอบแทนบุญคุณก็มีหลายวิธีด้วยกันในเบื้องต้นก็ให้มีความเคารพมีความเชื่อฟังพ่อแม่พูดพ่อแม่ว่าพ่อแม่สอนอะไรก็อย่าเถียงพ่อแม่อย่าอย่าไปบอกให้พ่อแม่หยุดปล่อยให้ท่านพูดให้พอเราเป็นลูกมีหน้าที่ฟังเราก็ฟังไป แล้วเราก็เอามาวิเคราะห์มาพิจารณาดูว่าสิ่งที่ท่านพูดที่ท่านสอนนั้นถูกต้องตามหลักธรรมหรือไม่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็ควรจะน้อมนำเอาไปปฏิบัติถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ต้องน้อมเอาไปปฏิบัติก็ได้ไม่ถือว่าเป็นการเนรคุณใจอย่างใดไม่ถือว่า เป็นการไม่เคารพอย่างใดก็เ ร, เราต้องเคารพความถูกต้องยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดพระพุทธเจ้าบอกให้เคารพธรรมยิ่งกว่าชีวิตนะให้รักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตไม่ว่าใครจะมาบอกให้เราทําอะไรที่ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องทําตามนี่คือการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ มีความอ่อนน้อมมีความเคารพยกท่านเทิดทูนท่านให้อยู่เหนือเสียงก้าวแล้วก็ถ้าเรามีฐานะที่ดีกว่าท่านเราก็อุปถัมภ์เลี้ยงดูท่านต่อไปจนกว่าชีวิตของท่านจะหาไม่ถ้าท่านตายไปแล้วเราก็ยังตอบแทนบุญคุณได้ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล อย่างวันนี้ญาติโยมได้มาทำบุญแล้วตอนที่พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรก็เป็นเวลาที่สามารถจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ไม่ว่าจะเป็นบิดามาัรดาปุย่าตายายครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณทั้งหลายเราสามารถอุทิศไปได้ส่วนเขาจะรับได้หรือไม่ ก็อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในฐานะที่จะรอรับอยู่หรือไม่เพราะแต่ละคนก็ทำบุญทำกรรมมาต่างกันถ้าทำบุญมากก็ไม่ต้องอาศัยไม่ต้องรอบุญอุทิศนี้ถ้าทำบุญน้อยถ้าไปเกิดเป็นเปรตก็จะต้องอาศัยบุญส่วนนี้เพราะเปรตก็เป็นเหมือนกับขอทานทางด้านจิตวิญ ญ, ญาณถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเหมือนเศรษฐี ถ้าไปตกนรกก็เหมือนไปติดคุกติดตารางถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือเกิดเป็นมนุษย์ก็สามารถหากินเองได้ไม่ต้องอาศัยบุญของผู้อื่นแต่เนื่องจากเราไม่รู้ว่าผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเขาจะตกอยู่ในสภาพใดถ้าเราคิดถึงหรือเราอยากจะทดแทนบุญคุณเราก็กวดน้ำไปถ้าท่านไม่อยู่ในฐานะที่จะรับ ก็ไม่สูญหายไปไหนบุญนั้นก็กลับมาที่ตัวเราเหมือนเดิมนี่คือวิธีการกระทำความดีอย่างหนึ่งคือให้เรามีความกระทำอยู่ต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายการกระทำความดี อ, อย่างหนึ่งก็คือการเสียสละคือให้เราเสียสละสิ่งต่างๆ ที่เรามีมากเกินความจำเป็นเช่นเรามีเสื้อผ้าล้นตู้เราอย่าไปเก็บไว้เสื้อผ้าชุดไหนที่เราไม่ได้ใส่ในระยะเวลา6เดือนหนึ่งปีมาแล้วก็อย่าไปเก็บไว้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันจะกินที่แล้วก็จะเกะกะถ้าเราเอาไปให้ผู้ที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่เขาก็จะได้รับประโยชน์เราก็จะได้ความสุข เพราะความใจนี้จะมีความสุขเมื่อได้ให้ผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นใจไม่ไม่ได้มีความสุขเวลาที่ได้อะไรมาเวลาที่ได้อะไรมานั้นจะดีใจเพียงชั่วเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หายไปเพราะจะมีความอยากได้ขึ้นมาแทนที่วันนี้ได้สิ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะได้สิ่งนั้นต่อความดีใจความสุขใจที่ได้ สิ่งที่ได้มาในวันนี้ก็หมดไปแต่การให้อะไรแก่ผู้อื่นนี้จะทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มใจและเมื่อเรามีความอิ่มใจเราก็จะมีความสุขไปเรื่อยเพราะไม่มีความอยากความต้องการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำลายความสุขใจนี้เองอการให้เรื่อยๆแล้ว จะทำให้การอยากได้นี้มีน้อยลงไปเพราะเราไม่รู้ว่าจะอยากได้อะไรมาเพราะสิ่งที่เรามีเราก็ยังให้เลยเพราะเราไม่อยากจะเก็บเอาไว้แล้วเราจะไปหาสิ่งใหม่ๆมามาให้ลกบ้านมาให้เกลกะหูเก็กะตาทำไมถ้าเราจะหาอะไรมาใหม่ๆก็เพราะว่าจําเป็นจริงๆเช่นรองเท้าคู่มีอยู่คู่เดียวแล้วมันขาด มันใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องหาคู่ใหม่มาใส่หรือมีเสื้อผ้าอยู่เท่าที่พอจะใส่แล้วมันขาดไปก็ต้องหามาทดแทนมันไม่เช่นั้นก็จะไม่พออย่างเช่นผ้าภิกษุสงฆ์บางรูปท่านจะถือการมีผ้าสามผืนเท่านั้นคือจะมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่ม จีวรหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวผ้าสังกติอีกหนึ่งผืนเป็นสามผืนถ้าท่านได้ผ้าสามผืนนี้มาเพิ่มท่านก็จะไม่เก็บเอาไว้เพราะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมไม่ได้ใช้<ม>ก็จะเอาไปถวายพระรูปอื่นที่ไม่มีหรือให้ผู้ที่บวชแต่ไม่มีปัญญาที่จะ ซื้อผ้ามาบวชก็ให้เขาไปอย่างนี้ก็จะทำให้ใจมีความสุขมีความสบายไม่ต้องมาห่วงมากังวลมาคอยดูแลรักษาของต่างๆยิ่งมีของมากก็ยิ่งต้องมีภาระมากต่อการดูแลรักษาแล้วเวลาสูญเสียไปก็ทุกข์มากพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรา มักน้อยคือให้เอาเท่าที่จำเป็นอย่ามากมากอย่าเห็นอะไรชอบก็อยากจะได้ขึ้นมาโดยไม่ได้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าเอามาทำไมไม่พอใช้หรืออย่างไรถ้าไม่พอใช้ก็ค่อยเอามาแต่ถ้ามีล้นตู้ล้นบ้านแล้วอย่าเอามามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่เกิดจาก การอยากได้เพียงในชั่วขณะนั้นเท่านั้นเองพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็ความสุขนั้นก็หายไปเพราะจะมีความอยากได้สิ่งใหม่มาสร้างความทุกข์ให้อีกนั่นเองการได้มาจึงไม่ได้เป็นการดับทุกข์ไม่ได้เป็นการดับความอยากแต่จะเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆส่วนการให้นี้จะ ทำให้เกิดความอิ่มความพอมากขึ้นจะทำให้ความอยากน้อยลงจนสามารถอยู่แบบมักน้อยสันโดษได้ถ้าอยู่แบบมักน้อยสันโดษได้ชีวิตก็จะสบายไม่มีความอยากมากดดันให้ไปหาเงินหาทองเพื่อจะได้มาใช้ตามความอยากเงินทองที่หามาได้ก็จะ ไม่หมดไปกับความอยากต่างๆก็จะมีเงินเก็บไว้เป็นจำนวนมากจนกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้อย่างง่ายดายการเป็นเศรษฐีนี่ก็เกิดขึ้นจากการที่เราหามาได้มากกว่าที่เราใช้ไปนั่นเองถ้าเราหามาได้มากกว่าที่เราใช้ไปเราย่อมมีเงินเหลือเก็บไว้แล้วถ้าเราเก็บไปทุกวันทุกวันไม่กี่ไม่นานมันก็จะ มีมากขึ้นไปจนกลายเป็นเศรษฐีได้การที่เป็นคนยากจนนี้ก็เป็นเพราะว่าใช้มากกว่าที่หามาได้นั่นเองหรือใช้เท่ากับเท่ากับที่ได้มาก็จะไม่มีเงินหลงเหลืออยู่เลยก็จะเป็นคนจนไปตลอดไม่มีโอกาสที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานี้เองอยู่ที่การหาเงินกับการ ใช้เงินถ้าเราเก่งหาเงินแล้วไม่เก่งที่จะใช้เงินเราก็รวยได้ถ้าเราเก่งใช้เงินแต่ไม่เก่งหาเงินเราก็ไม่มีทางที่จะร่ำรวยได้ <c oughs> ดังนั้นถ้าเรามีความมากน้อยอยู่เราก็จะใช้น้อยกว่าที่เราหามาได้อย่างแน่นอนเพราะความจําเป็นของชีวิตของร่างกายของเรานั้นมีไม่มากไม่มากเท่ากับ การใช้เงินใช้ทองของพวกเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราหมดเงินหมดทองไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่สร้างความอยากให้กับเราเพิ่มมากขึ้นไปทำให้เราต้องดื้นรนหาเงินหาทองมาคอยบำรุงบำรเดอความอยากอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยคิดกันเลยว่าเรามีความสุขหรือมีความทุกข์กับ การอยากได้สิ่งต่างๆพอเราได้มาแล้วสิ่งต่างๆอนั้นมันดับความทุกข์ในใจของเราได้หรือเปล่ามันดับความอยากต่างๆของเราได้หรือเปล่ามันดับไม่ได้มันดับมีสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุก็เช่นเดียวกันได้สามีได้ภรรยามาคนแล้วเดี๋ยวก็อดที่อยากจะได้เพิ่มขึ้นมาไม่ได้เพราะเบื่อของเก่า อยากจะได้ของใหม่ได้บ้านมาหลังหนึ่งแล้วก็อยากจะได้อีกหลังหนึ่งได้รถมาคันหนึ่งแล้วก็อยากจะได้เพิ่มอีกคันหนึ่งได้โทรศัพท์มือถือมาเครื่องหนึ่งแล้วก็อยากจะได้เพิ่มไปอีกเครื่องไม่ว่าจะได้อะไรมาทั้งหลายสิ่งต่างๆทั้งหลายมันจะกระตุ้นความอยากให้อยากได้เพิ่มมากขึ้นไปมันไม่ได้ทาให้เกิดความอิ่มความพอไม่เหมือนกับการเสียสละ เราให้อะไรไปแล้วเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจแล้วเราจะเห็นว่าเอะเราไม่มีสิ่งนี้เราก็อยู่ได้และมีความสุดมากกันมีสิ่งนี้เสีย อ, อีกก็จะทำให้เราอยากให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนแทบจะไม่มีอะไรหลงเหลือติดตัวอยู่เลยนอกจากความสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช่นเสื้อผ้าอาจจะมีเพียงสองสามชุดรองเท้าอาจจะมีคู่สองคู่ ก็อยู่ได้แล้วชีวิตก็มีความสุขมีความสบายพระพุทธเจ้าทรงสอนในี่เราอยู่เหมือนนกอย่าสะสมอะไรนกเวลามันไปไหนมันไม่ได้เอาอะไรไปมันบินไปตัวเปล่าเปล่ามันไปอย่างนั้นแล้วมันมีความสุขความสบายถ้ามันต้องแบกหามสมบัติต่างๆไปด้วยมันคงจะบินไปไม่รอดชีวิตของพวกเราทุกงวังนนี้ที่มีความภาระหนัก ทางด้านจิตใจก็เพราะเราแบกข้าวของต่างๆไว้มากจนเกินไปพอมีอะไรแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาคอยหวงคอยห่วงคอยกังวลสิ่งเหล่านี้เป็นภาระเป็นสิ่งที่กดดันจิตใจไม่ให้สามารถมีความสุขได้เลยเราจึงต้องปลดปลื้งภาระนี้ด้วยการเสียสละบริจาคหรือจาคะนี้แปลว่าการเสียสละ การเสียสละนี้ก็ให้เสียสละประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นบ้างเรามีข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดรอนบ้างเพราะในโลกนี้มีคนที่เดือดร้อนมากก็มีคนที่ไม่เดือดร้อนก็มีคนที่มีมากก็มีถ้าเราอยากจะมีความสุขจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของเรา เราก็ต้องใช้สมบัติเงินทองนี้ให้สร้างความสุขให้กับใจของเราอย่าใช้เงินทองเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยการหมดไปกับการซื้อของต่างๆหรือทำอะไรต่างๆตามความอยากของเราแต่ให้นำเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยเหลือทางด้านไหนก็ได้ทั้งนั้นจะช่วยเหลือทางทางวัดทางวาก็ได้จะช่วยเหลือทางโร ง, ง, ง, งเรียนก็ได้ ทางโรงพยาบาลก็ได้ทางสถานสงเคราะห์ต่างๆก็ได้สุดแท้แต่ที่เราถนัดที่เราชอบเป็นบุญเหมือนกันทำให้จิตใจเรามีความสุขเหมือนกันไม่ต่างกันเรื่องของการให้เพื่อให้เกิดความสุขทางด้านจิตใจนี้ไม่แตกต่างกันไม่ว่าเราจะให้กับใครให้กับพระอาหารหันต์ก็ได้ความสุขเหมือนกัน ให้กับสุนัข ก, ก็ได้ความสุขเหมือนกันถ้าเราให้เพื่อสงเคราะห์เพื่อให้เขาได้รับความสุขจากสิ่งที่เราให้แต่สิ่งที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปให้นี้มีความแตกต่างกันถ้าเราไปให้กับพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเราจะได้พระธรรมคำสอนเป็นสิ่งตอบแทนกลับมา เพราะเมื่อเราไปกราบพระไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือทำบุญกับพระอ า, ารามท่านก็จะสงเคราะห์เราเมตตาเร า, เร า, เราด้วยการสอนเราสอนให้เราฉลาดสอนให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้แต่ถ้าเราไปให้กับสุนัขไปช่วยสุนัขอย่างมากสุนัขจะทำอะไรให้กับเราได้ก็คือกระเด็กหาง หรือถ้าเขาอยู่บ้านเขาก็จะคอยเฝ้าบ้านให้กับเราแต่เขาไม่สามารถที่จะปลดเบื้องความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราได้เช่นเราไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สุนัขเขาจะไม่มีทางที่จะช่วยสอนให้เราหายจากความทุกข์นั้นได้แต่ถ้าเรามีความทุกข์แล้วเราไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะอ่านใจของเราได้และจะสอนให้เรา ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราได้นี่คือความแตกต่างในเรื่องของผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไ ป, ไปทำบุญไปช่วยเหลือถ้าเราไปช่วยเหลือไปทำบุญกับคนที่เก่งที่ฉลาดเขาก็จะช่วยเรากลับมามากกว่าที่เราช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเราทำบุญกับคนที่ไม่เก่งไม่ฉลาด เขาก็จะช่วยอะไรเราไม่ได้มากเช่นถ้าเราไปช่วยเหลือคนพิการคนกำพร้าอย่างนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้มากนอกจากยกมือไหว้ขอบอกขอบใจเราเท่านั้นเองดังนั้นการทำบุญจึงต้องมองไปสองประเด็นประเด็นหนึ่งถ้าเป็นการช่วยเหลือกันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นใครขอให้เขาเดือดร้อนแลวเราช่วยเหลือเขา เราก็จะได้รับความสุขเหมือนกันแต่ถ้าเราต้องการผลตอบแทนทางจากผู้รับเราก็ต้องเลือกคนที่ดีคนที่ฉลาดเพราะคนดีคนฉลาดย่อมทำความดีย่อมให้ความฉลาดความรู้แก่เรานั่นเองถ้าเราไปช่วยคนไม่ดีเช่นไปช่วยโจรผู้ร้ายเขาก็เราก็จะไปส่งเสริมให้เข้าไปทำความไม่ดีไปไปฆ่าผู้อื่นไปต้นผู้อื่น นี่ถึงนี่คือความหมายว่าเวลาทาบุญให้เลือกบุคคลเพราะบุคคลเหล่านี้มีความแตกต่างกันแต่ถ้าเรื่องช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมเพื่อความเมตตาการุณานี้ก็ช่วยไปทุกคนที่เขาเดือดร้อนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราก็ต้องช่วยถ้าเห็นสุนัขเขาไม่มีไม่มีอาหารรับประทานหรือเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ต้องช่วยหาอาหารให้เขารับประทานช่วยหาอยู่หายามารักษาเขา mm. เช่นเดียวกับแม้แต่เป็นผู้ร้ายเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยิงเขาบาดเจ็บก็ยังต้องจับเอาเขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนให้รักษาเขาจนกว่าจะหายถึงค่อยจับไปลงโทษต่อไปนี่คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นมีอยู่สองประเด็นด้วยกัน ถ้าช่วยเหลือเนื่องจากความเดือดร้อนก็ไม่เลือกว่าเป็นใครช่วยได้หมดควรจะช่วยทั้งหมดแต่ถ้าช่วยเหลือเพื่อที่จะให้เราได้ผลตอบแทนกลับมาหรือได้ผลตอบแทนแก่สังคมเราก็ต้องช่วยเหลือคนดีช่วยเหลือคนฉลาดเช่นเราช่วยเหลือพระพุทธเจ้าหรือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็เอาส่วนที่เราให้ไปนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อ ไปช่วยเหลือไปสร้างโรงพยาบาลไปสร้างโรงเรียนแล้วตัวท่านเองก็ไปสั่งสอนให้คนอื่นทำความดีต่างๆต่อไปนี่ก็เป็นการช่วยเหลือสังคมให้สังคมนั้นได้เจริญได้มีคนดีอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันและกันถ้าเราไปช่วยเหลือคนชัว่วให้เขามากงบ้านกงเมืองเราเช่นคนที่ ชอบขอรับชั่นกินบ้านกินเมืองแล้วเวลาเราไปเลือกตั้งเราก็ไปเลือกเขามาเพราะเขาให้เงินเรามาห้าร้อยบาทอย่างนี้อย่างนี้ก็จะไม่คุ้มกับเงินที่เราได้มาเพราะเวลาเขาเข้าไปกงกินบ้านเมืองนี้เขาไม่ได้กินทีละพันสองพันเขากินทีละพันล้านสองพันล้านหรือหมื่นล้านบ้านเมืองเราก็จะไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้เจริญก้าวหน้า คนที่อยู่ในบ้านเมืองก็ยังต้องทุกข์ยากลำบากต่อไปนี่คือเรื่องของการเสียสละเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการกระทาความดีแต่เป็นสิ่งที่เราต้องใช้วิจา ร, รณญาณเราต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ทําไปตามอารมณ์ของเราหรือทำตามความเชื่อของเราที่อาจจะเป็นความเข้าใจผิด เพราะคนส่วนใหญ่บางทีไม่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยากจะมาช่วยเหลือพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ในวัดนั้นเพราะคิดว่าเป็นการทําบุญเป็นการทําบุญได้ถ้าอยากจะได้บุญต้องทํากับพระกับวัดทนั้นถ้าทํากับผู้อื่นจะไม่ได้บุญนี่เป็นความเข้าใจผิดบุญนี้ความจริงแปลว่าความสุขใจความสุขใจที่เกิดจากการเสียสละ เราเสียสละประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นค า, ารวะญาติโยมเราก็ได้ความสุขเหมือนกันตราบใดที่เราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือเราไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับแม้แต่คำว่าขอบคุณก็ไม่สนใจเพราะถ้าเรามีความ ปรารถนาความต้องการผลตอบแทนจากผู้รับอย่างนี้ก็กลายเป็นกิเลสไปกลายเป็นการซื้อขายไปเหมือนเราไปซื้อของที่ร้านเราเอาเงินให้เขาไปเขาก็ให้ของเรามาอย่างนี้ก็จะไม่เกิดบุญขึ้นมาที่ใจไม่เกิดความสุขขึ้นมาที่ใจแต่อย่างไดการให้ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับ ให้เพื่ออยากให้เขาได้มีความสุขได้มีความสบายเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของการทำความดีที่ได้ยกตัวอย่างมาสองประกาศด้วยกันคือการมีความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณและการเสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ร่วมโลกด้วยกันให้เขาได้มีความสุขบ้าง ถ้าเราทำได้อย่างสม่าเสมอแล้วจิตใจของเราจะเจริญก้าวหน้าจะมีความร่มเย็นเป็นสุดและจะขยับขึ้นไปสู่การปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไปเพื่อผลที่สูงขึ้นไปจนถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดได้จึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาของวันหยุดให้เป็นประโยชน์ด้วยการบาวัดเพื่อมาประพุทธ ม, มาบาเพ็ญความดีต่าง